วิธีมอบให้ไตรจีวรบาตรและกรรมวาจาสำหรับมอบให้ภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ไตรจีวรและบาตรอย่างนี้คือภิกษุพยาบาลภิกษุไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ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 นี้คือไตรจีวรและบาทของเธอสงพึงให้ไตรจีวรและบาทนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วนี้คือไตรจีวรและบาทของเธอสงให้ไตรจีวรและบาทนี้ แก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุขไข้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ไตรจีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุขไข้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสงฆ์ให้ไตรจีวรและบาตรนี้ แกภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้แล้วสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมตติอย่างนี้